สี่สิบสองนอร์ปต์ที่ยีการเที่ยวเมืองน a ร a r a s u t t ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Market n y a i ต k u d a m a y t h i r a น t h u irukuma งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะปรุด์คอร์ชิทิงกัดคริมายทิรันตุยรุกมุมานิทัศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะคันโกร์ชีอีกิวเบชนันเซบวอยคริมายทิรันตุยรุกมุมาสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะซูมิรุกักคอร์ชีซาลา บุธ น, นพ์พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะมิเวเซียมอารูมคอชิอากม์บีโอร์พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะาคาลัยโคดมเวลลี่พิพิธภัณฑ์เปิดทุันศุกคสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ ภูเกียบปัดมยด க กะลாต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะอนุโ த ி கட்டணம் கட்டவேண்டுமா? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะอนุ ம த ி கட்டணம் எவ்வளவு มีสวนรถสาหรับหมู่คณะไหมคะுูு வ ா க இருந்தால் தள்ளுபடி உண்டா? มีส่วนรถสำหรับเด็กไหมคะโคดันติหกลึกตัลลุปอดีอุน d ามีส่วนรถสำหรับนักศึกษาไหมคะมา n a v a ม a นาวิหกลึกตัลลุปอดีอุนนั่นตึกอะไรคะอดุเย็นนักัดติดตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ อันด க บคัต ட ิดังย த ดตั้งให้ลายดใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะอันด க บคัต ட ิดัตเต้ ட ัตติเยอร์ยาร์ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมเยน்กுัตติด ட ก் க ลை ய ி ன นเมลออร் வ อ் உ ்ุ ள த ดิดิฉันสนใจในศิลปกรรม ย க นักวาร க ல ைลி ன ்ินเมลอารวมุล் ள த ுดิฉนันสนใจในจิตตกรรมยานักอโววิ ல ைลி ன ்ินเมลอารวมุล் ள த ு